ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรมและหลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่บทปฐกถาและคำบัญญาที่เกี่ยวข้องกับหลักกรรมโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจาร ย, ย์ประยุทธ์ประยุทธโตเสียงอ่านโดยอริยคุณพุทธธรรมโจโจเสียงธรรมชมรมพลดีจัดทำโดยเจ้าภาพหลักคุณนัชนนิพาปีติเจริญกุร่วมเป็นเจ้าภาพโดยคุณกนชนกมาดวงศกอคุณเอกสิท ธ, ธิ์พันณเชตคุณขวัญใจหงคามี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 เพราะฉะนั้นในการทำความเข้าใจเรื่องกรรมนอกจากจะทำความเข้าใจในตัวหลักเองแล้วยังมีปัญหาเพิ่มขึ้นคือจะต้องแก้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนสับสนในเรื่องกรรมนั้นด้วยเพราะฉะนั้นอัตมภาพจึงรู้สึกว่าในการพูดทำความเข้าใจเรื่องกรรมนั้นถ้าเราจะมาแก้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนสับสนออกไปซก่อนอาจจะทาให้ความเข้าใจง่ายขึ้น คล้ายกับว่าหลักกรรมนี้ไม่มีเฉพาะตัวหลักเองเท่านั้นแต่มีของอะไรอื่นมาปิดบังมาเคลือบคลุมอีกชั้นหนึ่งด้วยถ้าหากว่าเราจะทำความเข้าใจเนื้อในเราจะต้องเปลืองสิ่งที่ปิดบังนี้ออกไปซะก่อนความคลาดเคลื่อนสับสนในเรื่องกรรม 1. ความสับสนคลาดเคลื่อนในความหมายที่นี้หลักกรรมนี้มีอะไรที่เป็นความสับสนคลาดเคลื่อนเข้ามาปิดบังคลุมอยู่ขอให้ท่านทั้งหลายลองมาช่วยกันพิจารณาดูอัตมาภาพว่ามีหลายอย่างทีเดียวในความเข้าใจของคนไทยทั่วๆไปหรือแม้แต่จํากัดเฉพาะในหมู่พุทธศาสนิกชน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 เราทำมาไม่ดีก็กลมนารับกรรมไปเถอะหรือว่าอะไรๆก็สุดแต่บุญกรรมก็เล้วกันอย่างนี้เป็นต้นสานวนภาษาเหล่านี้แสดงถึงความเข้าใจคำว่ากรรมในความคิดของคนทั่วไปและขอให้ท่านทั้งหลายมาช่วยกันพิจารณาดูว่าในคำพูดซึ่งสอถึงความเข้าใจอันนี้มันมีอะไรถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนไปบ้าง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 ก็หมายถึงแง่ไม่ดีทั้งนั้นคือเป็นเรื่องร้ายๆเป็นเรื่องทุกข์เรื่องโศกเรื่องภัยอันตรายความวิบัติเหตุร้ายนาน า, น, านอกจากนั้นก็มุ่งไปในอดีตโดยเฉพาะมุ่งเอาชาติก่อนเป็นสำคัญคำที่ว่ามาโดยมากก็มีความหมายสองทีเดียวไปหมดทั้งสามแง่คือมุ่งเอาในแง่เป็นเรื่องร้ายๆและเป็นผลของการกระทาในอดีตชาติ ฉะนั้นก้มหน้ารับกรรมชาตินี้มีกรรมกรรมของสัตว์สุดแต่บุญแต่กรรมอะไรทานองนี้รวมแล้วก็เป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องไร้ายๆเป็นเรื่องผลและเป็นเรื่องเกี่ยวกับในชาติก่อนทั้งนั้นพูดง่ายๆว่าคนตัวไปมองความหมายของคำว่ากรรมในแง่ของผลร้ายของการกระทําชั่วในอดีตชาติ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 ท้อทุระอย่างไรอันนี้อาจจะแบ่งได้เป็นสองส่วนมองในแง่ตัวเองอย่างหนึ่งกับมองในแง่ผู้อื่นอย่างหนึ่งมองในแง่ตัวเองความรู้สึกท้อทุระคือรู้สึกว่ายอท้อยอมแพ้ถดถอยและไม่คิดปรับปรุงตนเองเช่นในประโยคว่าชาตินี้มีกรรมหรือว่าเราทามาไม่ดีก้มหน้ารับกรรมไปเถอะ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 เขาจึงได้รับผลอย่างนั้นเราก็วางอุเบกขาอันนี้ก็เป็นแง่ที่ไม่ถูกต้องระวังเหมือนกันในแง่ตอบผู้อื่นทัศนคติก็จะต้องมีสองด้านเหมือนกันจริงอยู่คนอื่นเขาได้รับภัยที่บาดเหตุร้อะไรขึ้นมาเราควรพิจารณาว่าอันนั้นเป็นผลของการกระทำของเขาเช่นคนที่ไปประพฤติ ช, ชั่วถูกจับมาลงโทษ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 บางทีพุทธบริษัทก็พิจารณาปล่อยทิ้งไปเสียหมดไปเห็นคนยากคนจนอะไรต่ออะไรก็กรรมของสัสตร์หมดเลยไม่ได้คิดแก้ไขปรับปรุงหรือช่วยเหลือกันทำให้ขาดความกรุณาไปแทนที่จะเน้นเรื่องความกรุณากันบ้างก็เลยไปมัวเน้นเรื่องอุเบกขาเซียที่จริงธรรมะเหล่านี้ต้องใช้ให้ตรงเรื่องเหมาะจ่อแม้แต่กรณีที่คนได้รับโทษ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 สองต้องมีความคิดแก้ไขปรับปรุงอยู่ด้วยพร้อมกันและในแง่ตอบผู้อื่นก็ไม่ใช่เอาแต่อุเบกขาอย่างเดียวจะต้องมีเมตตากรุณาด้วยในส่วนใดที่ควรวางอุเบกขาก็วางด้วยเหตุผลเพื่อรักษาความเป็นธรรมหรือดํารงธรรมของสังคมไว้และในแง่ของความเมตตากรุณาก็เพื่อประโยชน์ของบุคคล น, นั่นเอง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 ศา ส, สนานิครนหรือที่เราเรียกว่าศาสนาเชนหรือมหาวีระท่านก็มีคำสอนเรื่องกรรมเหมือนกันและก็เน้นคำสอนเรื่องกรรมนี้ไว้เป็นหลักสาคัญมากในเมื่อพุทธศาสนาอุบัติขึ้นพระพุทธองค์ก็ได้ทรงทราบคำสอนของศาสนาเหล่านี้แล้วและได้ทรงพิจารณาเห็นว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไม่สมบูรณ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 ลัทธิที่ขัดต่อหลักกรรมพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสมณพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอย่างหนึ่งอย่างใดที่ได้เสวยทั้งหมดนั้นเป็นเพราะกรรมที่ตัวทําไว้ในปางก่อนโดยในยะดังนี้เพราะกรรมเก่าหมดสิ้นไปด้วยตบะไม่ทํากรรมใหม่ ก็จะไม่ถูกบังคับต่อไปเพราะไม่ถูกบังคับต่อไปก็สิ้นกรรมเพราะสิ้นกรรมก็สิ้นทุกขเพราะสิ้นทุกขก็สิ้นเวทนาเพราะสิ้นเวทนาก็เป็นอันสลัดทุกได้หมดสิ้นภิกษุทั้งหลายพวกนิกรนมีวาทะอย่างนี้อันนี้มาในเทวทหสูตรพระไตปิฎกเล่มสิบสี่มัชิมานิกายอุปริปันธา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 ไม่มีพ้นออกไปพระพุทธเจ้าเคยตรัสถึงลัทธิเหล่านี้และบอกว่าคำสอนของพระองค์ไม่ใช่คำสอนในลัทธิเหล่านี้ลัทธิเหล่านั้นเป็นคำสอนประเภทอกิริยาอากิริยาคือหลักคำสอนหรือทัศนาแบบที่ทำให้ไม่เกิดการกระทำเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างร้ายแรงอตมาภาพจะอ่านลทัทธิมิจฉาทิฏฐิสามลัทธินี้ ตามในย่พุทธพจน์ที่มาในอังคุตระนิกายติกะนิกายพระสุตตันตปิฎกบาลีเล่มยี่สิบและในคำพีวิพังแห่งอภิธรรมปิฎกพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายละที่เดียวลทีสามละที่เหล่านี้ถูกบัณฑิตไต่ถามซักไซไล่เลี่ยงเข้ายอมอ้างการถือสืบๆกันมาจัดเข้าในพวกอกิริยาคือหนึ่ง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 มีวาทะามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมีใช่สุขมีใช่ทุกข์ก็ดีอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามที่คนเราได้สวยิทั้งหมดนั้นล้วนเป็นเพราะการบรันรดาลของพระผู้เป็นเจ้าเรียกว่าอิสระนิมมานในเหตุคืออิสวนิรมิตตวาดสมสมณพราหมพวกหนึ่งมีวาทะามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมีใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ดี อย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามที่คนเราได้เสวยทั้งหมดนั้นล้วนหาเหตุหาปัจจัยไม่ได้เรียกว่าอาเหตุตุอปัจจะยะคืออเหตุตุวาดลทัทธิทั้งสามนี้ท่านพุทธศาสน ก, กชนฟังแล้วอาจจะคล่องใจขึ้นมาเอลทัทธิที่หนึ่งดูคล้ายกับหลั ก, กรำรในพุทธศาสนาของเราบอกว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดี ม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ดีที่เราได้รับอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นเพราะกรรมที่กระทำไว้ในปางก่อนเอดูเหมือนกันเหลือเกินนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญถ้าหากว่าเราได้ศึกษาเปรียบเทียบเสี้บ้างบางทีจะทำให้เราเข้าใจหลักกรรมของเราชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าไม่ระวางังเราอาจจะนำเอาหลักกรรมของเรานี้ไปปรับปรุงเป็นหลักกรรมของศาสนาเดิมที่พระพุทธเจ้าต้องการแก้ไข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 ก็ย่อมไม่มีเมื่อถือว่าผลอะไรที่เราจะได้รับมันก็ล่าแต่กรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนมันจะสุขทุกอย่างไรก็เล่าแต่กรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนเราก็ไม่เกิดสันทะความเพียรพยายามว่าเราควรจะทำอะไรถึงเรื่องพระผู้เป็นเจ้าก็เหมือนกันอ่อนวอนเอาก็เล่ากันหรือว่าเล่าแต่พระองค์จะโปรดปรานที่จะมาคิดเพียรพยายามทาด้วยตนเองก็ไม่มี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 ละแต่โชครวมความว่าสามลัทธินี้ข้อเสียหรือจุดอ่อนก็คือทำให้ไม่เกิดความเพียรพยายามในทางความประพฤติปฏิบัติไม่เกิดชันทะในการกระทาส่วนหลักกรรมในพระพุทธศาสนามองเทียบแล้วก็คือว่าจะต้องให้เกิดชันทะเกิดความเพียรที่จะทำไม่หมดชันทะไม่หมดความเพียรอันนี้เป็นหลักตัดสินในแง่ทางปฏิบัติ หลักกรรมที่แท้การแยกจากความเข้าใจที่ผิดเมื่อเข้าใจหลักกรรมโดยการเปรียบเทียบกับสามลัทธิที่ว่ามานี้แล้วอตมาภาพเห็นว่าก็จะแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนสับสนข้างต้นได้หมดเหมือนกันคือความคลาดเคลื่อนในแง่ความหมายของสับอย่างที่เข้าใจกันทั่วไปก็ตาม หรือความคลาดเคลื่อนในแง่ทัสนะคติก็ตามอันนี้แก้ไขได้หมดเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจหลักกรรมของเราให้ถูกต้องอย่าปนกับนิครณในศาสนาของนิครณเขาถือละที่กรรมเก่าสุขทุกขอะไรเราจะได้รับอย่างไรก็เพราะกรรมเก่าทั้งสิ้นเขาจึงสอนให้ทำกรรมเก่านั้นให้หมดไปเสียแล้วไม่ทากรรมใหม่ ทีนี้กรรมเก่าจะหมดไปได้อย่างไรกรรมเก่าจะหมดไปได้ด้วยการบำเพ็ญตะบะพวกนี้ก็เลยบำเพ็ญทุกขระกิริยาคือทรมานตนทาอัตตาิละมถานุโยคที่พระพุทธองค์ก็เคยทรงไปบำเพ็ญเมื่อก่อนตรัสรู้บำเพ็ญอยู่ถึงหกปีจนแน่พระไทยแล้วก็ทรงประกาศว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ผิดไม่ได้ผลอะไรพวกนี้ครนไม่ต้องการทกากรรมใหม่ กรรมเก่าก็หมดไปด้วยตบะขอให้เทียบหลักนี้กับคำสอนในทางพุทธศาสนาในสลายตนาวัคสังยุตตนิกายพระไตรปิฎกเล่มสิบปมีพุทธพจน์ว่าด้วยเรื่องกรรมไว้ในแง่หนึ่งพระองค์ตรัสว่าเราจะแสดงกรรมเก่ากรรมใหม่ความดับกรรมและทางดับกรรมแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสว่ากรรมเก่าคืออะไรจากขุตาโสต หูคานะจมูกชิวหาลิ้นกายคือร่างกายมโนคือใจนี่ชื่อว่ากรรมเก่าอะไรที่ชื่อว่ากรรมใหม่การกระทำที่เราทําอยู่ในบนัดนี้นี่แหละชื่อว่ากรรมใหม่แล้วอะไรคือความดับกรรมท่านบอกว่าความดับกรรมแห่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้น ชื่อว่าความดับกรรมอะไรเป็นทางดับกรรมมักมีองค์8ปประการอันประเสริฐคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้นสัมมาทิฏฐิเป็นปริโยสานี้เรียกว่าทางดับกรรมอันนี้จะตรงกับลัทธินิครนอย่างไรในลัทธินิครนเขาสอนว่าทางดับกรรมคือดับกรรมเก่าโดยบัมเพนตบะ ดับกรรมใหม่โดยไม่ทำพุทธศาสนาดับกรรมโดยมรคมีองค์8ปดเราจะเห็นว่าที่ว่าดับกรรมนั้นไม่ใช่ไม่ทำอะไรทำทีเดียวหละแต่ว่าทำอย่างดียังมีเหตุมีผลทำอย่างมีหลักมีเกณฑ์ทำด้วยปัญญาคือทำตามหลักมัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางหรือมรคมีองค์8ปดประการต้องทำกันยกใหญ่ทีเดียว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 มันต้องมีทั้งอดีต ท, ทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ปฏิเสธกรรมเก่าแต่ที่ผิดก็คือไปฝังจิตใจว่าอะไรอะไรต้องเป็นเพราะกรรมเก่าไปหมดนี่มันเป็นข้อเสียพุทธศาสนาถือว่ากรรมเก่านั้นมันเสร็จไปแล้วเพราะย้อนกลับไปทำหรือไม่ทำอีกไม่ได้กตัสนติปฏิการังการกระทาที่ทาไปแล้ว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 ให้เลิกแบ่งแยกชนชั้นโดยชาติกาเนิดทีนี้ลองมาดูความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนเรื่องกรรมศึกษาในแง่นี้จะเห็นว่ามีหลายความมุ่งหมายเลิศเกินพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องกรรมนี้อย่างแรกก็คือเพื่อะจัดความเชื่อถือและการประพฤติปฏิบัติในสังคมของศาสนาพราหมณ์เดิมเกี่ยวกับเรื่องวันนะ วันนะคือการแบ่งชนเป็นชั้นต่างๆตามชาติกาเนิดศาสนาพราหม์ถือว่าคนเราเกิดมาเป็นลูกกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์เป็นลูกพราหม์ก็เป็นพราหม์เป็นลูกแพทย์ก็เป็นพ่อค้าเป็นลูกสูตรก็เป็นกรรมกรคนรับใช้ก็ต้องเป็นวันณะนั้นตลอดไปแล้วแต่ชาติกาเนิดแก้ไขไม่ได้อันนี้เป็นคำสอนเดิมเขาสอนอย่างนั้นครั้นมาถึงพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงเน้นเรื่องกรรมเกี่ยวกับวัน น, นั้นว่าคนเรานั้นณันชจาวัสโลโหติณัชจาโหติพราหมโนบอกว่าคนเราไม่ได้เป็นคนถอยคนต่ำสามเพราะชาติกําเนิดแล้วก็ไม่ได้เป็นพราหมณ์หรือคนสูงเพราะชาติกําเนิดแต่กรมุนาวัสโลโหติกรมุนาโหติพราหมโนจะเป็นคนสามก็เพราะกรรมและเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรม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 ให้รู้จักพึ่งตนเองละหวังผลสำเร็จด้วยการลงมือทมอีกแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือความเพียรพยายามในการพึ่งตนเองและรู้จักแก้ไขปรับปรุงตนเองอันนี้ก็เป็นข้อสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนย้ำบ่อยๆอย่างหลักอัตติอัตโนานาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหรืออย่างตุ่มเหหิกิจจังอัตตปัง